สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิยาพิบาลนะครับในวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่559เรื่องขอโปรดให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดพี่น้องครับในช่วงนี้เป็นช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์วันนี้เป็นวันพุธเรากำลังก้าวเข้าสู่สวนเกตส์เบนีในวันพรุ่งนี้ อันเป็นวันที่พระเยซูได้ทรงฉลองปัสกากับพวกสาวกในขณะเดียวกันพระองค์ก็ตั้งพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อทั้งหลายดื่มจากแก้วนี้หมายถึงไวน์หรือเหล้าอางุ่นที่พระเยซูกำลังยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับเป็นพระโลหิตอันเลิศประเสริฐของพระองค์เองนั้นจากพระโลหิตอันเลิศประเสริฐของพระองค์เองนั้นพระเยซูกาลังตั้งพันธสัญญาใหม่ ในขณะที่เทศการปัสานั้นปัสานั้นก็คือเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ pass over คือผ่านเว้นพี่น้องครับขณะที่เปเยซูอยู่ในสวนเก็เสมเนีปรปเยซูทนทรงทนทุกข์ทรมานใจแต่อัครทูตยอนได้บันทึกถึงคำตัตยของพระองค์ว่าเราจะไม่ดื่มถ้วยที่พระบิดาประทานแก่เราหรือหมายความว่า พระเยซูพร้อมใจและยินดีอย่างยิ่งที่จะดื่มถ้วยหมายถึงความทุกข์ทรมานอันเนื่องจากการที่พระเยซูจะต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระองค์ทรงยินดีทำตามน้ำมันไทยของพระบิดาแต่กันนั้นก็ดีโดยธรรมชาติของพระองค์พระองค์ตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ความกลัวที่จะต้องถูกแยกจากพระเจ้า ความทุกข์ทรมานใจของพระเยซูคริสต์นั้นไม่ได้ขัดแย้งกับความปรารถนาของพระองค์ที่จะทำตามนาไทยของพระบิดาหลายๆลครั้งทีเดียวเราซึ่งเป็นมนุษย์มีความอ่อนแอเมื่อเรารับความทุกข์ทรมานโดยพาะอย่างยิ่งทั้งกายและใจเราอาจจะมีคำถามวายมีวายมีแปลว่าทำไมถึงต้องเป็นฉันพระเยซูคริสต์รู้ครับว่าทาไมถึงต้องเป็นพระองค์เพราะพระองค์ ทรงได้รับการส่งมาจากพระบิดาเพื่อจะทําให้พันธกิจมิชชั่นของพระองค์สําเร็จนั่นคือการตายเพื่อไถ่บาปเราทั้งหลายความปรารถนาของพระองค์ที่จะทำตามน้ําันไทยของพระบิดาเจ้าเป็นความเต็มใจในพระธรรมเลวินิติเราจะพบเรื่องเครื่องบูชาเผาทั้งตัวคือการนําสัตว์ที่ไร้จาหนิมาถวายบูชาเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟพระพิม์บันทึกว่า ให้มีให้เป็นกลิ่นที่พญาเวพอปไทยแต่นอกจากนี้ยังมีเครื่องบูชาลบบาปอีกครับพี่น้องไอ้เครื่องบูชาลบบาปนั้นเป็นการถวายเครื่องบูชาอีกแบบหนึง่งซึ่งจะต้องมีการหลั่งเลือดหลั่งโลหิตของเครื่องบูชาเพื่อเป็นการรับโทษชีวิตแทนชีวิตสัตว์ที่สุขฆ่าตายมันจะต้องหลั่งเลือด บนท่านบูชาเพื่อเป็นการรับโทษแทนชีวิตของมนุษย์ผู้นั้นที่ได้ทำบาปและมนุษย์ผู้นั้นที่ทำการถวายบูชาและนี่คือหัวใจสำคัญของการไถ่าบาปครับพี่น้องสิ่งที่ได้ถือปฏิบัติกันมาในพระกัมพีเดิมณเวลานี้ณเวลานี้ก็คือตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ยี่สิบสี่ชั่วโมงสุดท้ายของพระเยซูนั้นบัดนี้ก็ได้เกิดขึ้นจริง โดยพระเยซูเองเป็นผู้ทรงยอมเสียสละพระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ยอมทนทุกข์ยากลำบากยอมสละพระชนชีพของพระองค์เองเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเราทั้งหลายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูคริตสต์ทรงมอบถวายชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกรรมนิและพระโลหิตของพระเยซูนั้นก็บริสุทธิ์มากเพราะว่า ไม่ใช่เหมือนกับโลหิตธรรมดาของคนทั่วไปเพราะพระเยซูนั้นทรงปฏิสนนะครับในคันมารดาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระโลหิตของพระเยซูนั้นจึงเป็นพระโลหิตที่บริสุทธิ์และล้ำค่าทรงคุณค่าสูงสุดพระเยซูทรงมองยอมมอบถวายชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกรรมนิให้แก่พระบิดาเพื่อทําตามน้ํามันไถยของพระองค์นั่นคือภารกิจการไถ่าบาปการช่วยโลกให้รอด แต่พระเยซูทรงเป็นเครื่องบูชายอมเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเราทั้งหลายลนี่คือความจริงนะครับความจริงที่สูงที่สุดแล้วพี่น้องครับมีบทเพลงบทหนึ่งครับเข้าร้องอย่างนี้นะครับมีเนื้อความอย่างนี้ครับว่าหนทางที่มนุษย์จะเดินทางขึ้นไปสู่บ้านอันงามสง่านั้นได้คือด้วยการถวายและเครื่องบูชาด้วยฤทธิเดชของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์และด้วยตัวแทน ที่แก้ต่างระหว่างมนุษย์กับประเจ้าพี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นทนายแก้ต่างขับคํานี้อาจจะเป็นศัพท์ใหม่ครับเพราะว่าทนายแก้ต่างนี้ก็คือเป็นผู้ที่ยืนยันนะครับเป็นทนายที่เป็นพยานยืนยันว่าเราบริสุทธิ์เพราะเหตุที่พระเยซูนั้นทรงชินพระชนบนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นผู้ฟ้องร้องคือมาร์ตตาน ก็ไม่อาจฟ้องร้องเราได้อีกต่อไปเพราะพระเยซูซึ่งเป็นทนายแก้ต่างจะบอกว่าเราพระเยซูเราคือพระเยซูเราได้ไถเขาแล้วพี่น้องครับขณะที่อยู่ในสวนเกตเสมานีสวนเกตเสมานีนั้นแปลว่า oil press ก็คือเป็นหินโม่ครับที่คั้นนะครับคั้นน้ำมันมะกอกนั่นเองนะครับ พระเยซูทรงรู้แน่ชัดว่าพระองค์จะต้องยอมรับความตายนี้เพื่อให้การไถ่าบาปสําเร็จแต่เมื่อพระองค์กําลังสิ้นพรชนรม์บนแม่เขนในบ่ายวันถัดมาวันศุกร์พระเยซูทรงร้องว่าทําไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าชั้นไหนจึงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียพี่น้องครับการรับรู้ของพระเยซูคริสต์ถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ นะครับเกิดขึ้นที่สวนเกสมมนพระเยซูรับรู้ความทุกข์ยากลาบากและความทุกข์ยากลาบากที่สูงสุดนั้นก็คือการแยกขาดจากพระบิดาในช่วงที่พระเยซูรับแบกบากของเราการรับรู้ของพระเยซูคริสต์อีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเมื่อพระเยซูผู้พระผู้ช่วยรอดของเรานั้นถูกตัดขาดกับพระเจ้า พระองค์ก็ถูกตัดขาดจากความสว่างด้วยฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าสามชั่วโมงครับที่ท้องฟ้ามืดนะครับและก็ภูเขาก็ไหวแผ่นดินก็ไหวจุดนี้เองครับหัวใจสำคัญของความทุกข์ทรมานของพระเยซูแม้พระองค์รู้ดีว่าท้ายที่สุดทุกสิ่งจะกลับกลายเป็นสิ่งดีแต่พระองค์ก็จำเป็นต้องมองข้ามความรู้นี้ ไม่เช่นนั้นพระองค์ก็จะไม่สามารถเข้าถึงธรรมชาติบาปที่แท้จริงของมนุษย์ได้เพราะว่ามนุษย์ทาบาปและเสื่อมจากพระสริของพระเจ้าและพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อตายแทนเพราะฉะนั้นพระองค์จะต้องเข้าถึงธรรมชาติบาปที่แท้จริงของมนุษย์นั่นคือความตายค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตายเพื่อของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรัน ซึ่งเกิดขึ้นโดยองค์พระเยซูเจ้าจะมาถึงพวกเราพี่น้องครับไม่เพียงแต่พระองค์จะแบกรับความผาบาปของเราแทนเราแต่พระองค์ก็ยังถูกกระทำให้เป็นคนบาปเหมือนเราเพราะเห็นแก่เราด้วยพี่น้องครับ พ, พระเยซูไม่ได้มีตาหนิไม่ได้มีเลือดรอยไม่มีมนทินใดๆแต่แม้กระนั้นพระองค์ก็ถูกกระทำให้เป็นคนบาปเพราะเห็นแก่เรานี่คือการยอมของพระองค์อย่าง ที่สุดแล้วพี่น้องครับในสวนเกกตมเน่บ้างมีบรรยายว่าพระเสโทรหรือเงือของพระองค์นั้นก็ไหลเหมือนกับเหมือนกับเป็นเลือดเป็นโลหิตและในคณะเดียวกันในพระธรรมฮีบรู ก, ก็บอกว่าพระเยซูทรงกันแสงพระเยซูทรงร้องไห้นะครับนี่คือความทุกข์ยากลาบากยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่พระเยซูทรงประสบทั้งใจ กายและวิญญาณจิตของพระองค์พี่น้องครับสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทําเพื่อเรานั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินจะพรฒนาได้เกินจะพูดให้หมดสิ้นได้แต่พี่น้องครับด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และการอ่านพระเจชนะของพระเจ้าก็จะสามารถทำให้เราทราบซึ้งทราบซึ้งในพระคุณและความรักที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราทั้งหลาย จะทราบซึ้งและเพื่อที่เราทั้งหลายจะไปสู่จุดของการยืนยันตัวเองปรณนาตัวผูกพันตัวกับพระองค์เพื่อที่ว่าพระองค์ใช้พวกเราไปไหนใช้ทำอะไรเราจะเชื่อฟังพระองค์จะมีชีวิตเช่นใดเราจะยอมเราจะเชื่อและหวังใจในพระองค์อาเมน